โอ้ต้องทบทวนกันเยอะนะต้องเอาปฏิทินมาอ้างแล้วต้องแบบอะไรนะต้องมาให้กรมสอบสวนมานั่งถามแล้วเราจะตอบได้นะใช้เวลาเยอะนะกว่าจะตอบได้บางคนนะเนี่ยนะเอวันนี้เมื่อสิบปีที่แล้วอยู่ที่ไหนพอสอเท่านั้นเราทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะเรื่องยาวเลยนะอย่าว่าชาติที่แล้วเลยเอายี่สิบปีที่แล้วล่ะ อ, อ้ยยิ่งยาวอีกสามสิบปีที่แล้วล่นะวันนี้เมื่อห้าสิบปีที่แล้วนายบอกอะไร น, นึกเยอะกัน้นะ ห้าสิบปีที่แล้วอาจจะจำได้พิเศษเช่นวันก็วันบวชวันแต่งวันอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะจําพอได้บ้างใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปแล้วยากว่ามั้นกันนะไอ้ที่จําได้เช่นวันเกิดเพาอะไรเขาก็ฉลองบ่อยปเป็นต้นนะก็เลยจําออกอะที่เหลือเนี่ยก็ยากแล้วยาว่าชาติที่แล้วเลยเนี่ยนะแล้วหลายๆชาติแ่ะตลอดแสนชาติเป็นต้นเนี่ยนะก็ ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมแต่ผู้ที่ได้อภิน ญ, ญาจิตของเขาไม่มีนิวรณ์เป็นจิตที่คุมมีคุณสมบัติแปดประการก็สามารถที่จะระลึกชาติจะระลึกได้กี่ชาติกี่ชาติก็เถอะมันกองทุกทั้งนั้นเนี่ยนะระลึกเสร็จเกิดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ตายเกิดมาเพื่อตายระลึกกี่ร้อยกี่หมืน่นกี่พันชาติก็ระลึกเพื่อตายมันก็แค่นั้นนะนะหวังกันนะนะจะแค่ว่าจะได้ดีจะตกต่ําจะได้สุขตกทุกข์อย่างไรก็ ชาติชรามรณะอิอยูดีก็ได้บทสรุปใช่ไหมและทีนี้เมื่อจิตเธอเป็นสมาธิบริสุทธิ์พ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติแปลว่าตายหรือเคลื่อนอุบัติคือการปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าไอการตายเกิดเนี่ยมันจะต้องเป็นจุติกับปฏิสนธิสืบเนื่องกันไปก็เห็นหมูสัตว์ผู้เป็น ไปตามกรรมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเร็วประณีตจุติปแปลว่าตายใช่ไหมอุบัติแปลว่าเกิดเร็วแปลว่าเกิดมาเรวนี่เพราะอะไรเป็นปจัจจัยโมหะนําเกิดเนี่ยเร็วอะโมหะคือปัญญานําเกิดประนีตโทสะนําเกิดผิวพันสาอะโทสะคือเมตานําเกิดผิวพันดีได้ดีเพราะอะโลภะตกยากเพราะ โลภะตรงนี้เขาเช็ค ก, กุศลมูลว่ากุศลมูลหนาแน่นไหมเช่นว่าเลวผิวพันธุ์เศร้าหมองตกยากอันนี้โอ้อกุศลมีกําลังทั้งนั้นเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าประณีตผิวพันธุ์ดีได้ดีพวกนี้ก็อโลภะอโทสะอโมหะเพราะว่าได้ดีหรือตกยากก็ดูจากรากของจิตนั่นแหละคือเหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะอโลภะอโทสะอโมหะหรือโลภะโทสะและโมหะนั่นแหละ เพราะฉะนั้นย่อมเห็นยุรู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะทุจริตด้วยกายวาจาใจติเตียนผ้าเรียเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอานาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวิน لة, ิบาศนรกเนี่ยนะ ส่วนเหล่าสัตส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยความดีทางกายวาจาเลจใจไม่ติเตียนพระเริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมีกรรมสักตาสัมมาทิธฐิเป็นต้นนยะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นะพิสูนนั้นก็เห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติคือตายอุบัติเกิดเนนะเลวเพราะโมหะประณีเพราะปัญญา ผิวพันธ์ดีเพราะเมตตาผิวพันธ์สามเพราะโทสะได้ดีเพราะาไม่โลภตกยากเพราะโลภด้วยทิพจักรสุอันบริสุทธิ์เรื่องจักสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้ถึงระลึกชาติได้ถึงเห็นสัตว์เกิดสัตย์ตายก็ยังไม่ใช่อาจาระศรัทธาใช่ไหมยังตกลงใจด้วยอาจาระศรัทธาในพระัตนาไตรไม่ได้ทีนี้ต่อไป ข้อสา8ร้อยสาสิบปดิกษุนั้นมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวะคายาญาณอาสวะคคายา น, นี้เป็นชื่อของยานในอริยมรรคทั้งสี่เนี่ยนะเพราะยานที่ทำให้สิน้นอาสวะก็คือยานในโซดาปฏิมครคทะไรให้สิน้นทิฏฐาสวะให้สิน้น อนณาคามิมักทำกรร ม, กามมาสวะให้สิน้นอรหัตมักทำภวาสวะและอวิชชาสวะให้สิน้นมันอาสวะขยายานเป็นชื่อของอรหัตมักผลนั่นแหละภิสูุนั้นเนี่ยนะผู้ที่ได้อารยมักขยานอย่างนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานนี้ทุกเพราะอัตถาว่าเบียดเบีย er, นนี้สมุทัยเพราะอัตถาว่า นำเกิดนีิริโรธพระอาัฏาว่าสลัดออกจากทุกนี้มักนำออกจากทุกขนั่นเองคือรู้ว่านี้ทุกขรู้นี้ว่าเหตุที่นำไปสู่กองทุกขรู้ว่านี้ทําเป็นที่สลัดออกจากทุกรู้ว่าข้อปฏิบัติอันนี้แหละนำออกจากทุกขเนี่ยนะก็มนัสิการนะลองฟังใหม่นะนี้ทุกคือเบียดเบียนนี้อายุหะณะนำไปสู่กองทุกหนี้ความสลัดออกจากทุกข นี้ข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกเนี่ยแหละเรียกว่าแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะซึ่งอันนี้เรื่องมันยาวนะแต่ว่าตรงนี้โอ้ยย่อโดยเทศนามแสดงไม่ยากใช่ไหมจะพูดยังไงก็ได้เขาเรียกว่าย่อโดยเทศนาเนี่ยไม่ยากมันตรงนี้ย่อมาโดยเทศนาเพราะฉะนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเหล่านี้วรณ์นิอาสวะอาสวะสนี้อาสวะสมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะสี่เนี่ยนี้อาสวะนิโรธ ความดับอาสวะนี้นีอาสวะนีโรธคาไมินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะดูก่อนพราหม์นี้เรากล่าวว่าตถาคตบทคตะนิวาสิตะหรือว่าตถาคตรันชิต ะ, ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นรอยเท้าของพระตถาคตเป็นสีข้างของพระตถาคตที่ที่ยานแทงเข้าไปของพระตถาคตแต่ก็ยังไม่ตกลงใจด้วยอรหัตตะมัก เพราะอะไรเพราะยังไ ม, ไ, ม ไ, มไม่แน่นอนระดับพระอรหันต์ใช่ไหมแต่ก็ตกลงใจด้วยโสดาปฏิมาสกตาคามิมักอนาคามิมักเพราะอะไรเพราะเห็นอริยศาสตร์แล้วเนี่ยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์พระธรรมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์ก็ปฏิบัติ ด, ดีแล้วด้วยอะไรมั่นคงด้วยโสดาปฏิมคสกต า, า, า, าคามิมักและอนาคาหมิมักแต่ถึงอย่างนั้นพระริยาเจ้าเบื้องล่างก็ชื่อว่ายังก่ำเริบเป็นครั้งคราว เอาขณะที่มีโลภะเกิดมีศรัทธาไหมไม่มีขณะที่โทสะเกิดเนี่ยมีศรัทธาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอริยะเบื้องล่างก็ยังไม่มั่นคงเท่ากับกับใครพระอระหรันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุนั้นรู้เห็นอริยสัจอย่างนั้นจิตหลุดพ้นแม้จากกา ม, มาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะเนี่ยนะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วภิกษุนั้นรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันนี้เป็นท่าถางนะใช่ดูก่อนพรามแม้ข้อนี้เราตถาคตเรียกว่าตถาคตบทตถาคตนิวาสิตะตะถาคตารันชิตะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลดูก่อนพรามอริยาสาวกย่อมตกลงใจแปลว่าตกลงใจแบบสนิทใจจริงๆเลยนะว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตสำมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลดูก่อนพราหมณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้แหละเรียกว่าข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างเป็นอันบริบูรณ์แล้วโดยพิสดารแค่ว่าอะไรนะแค่ของของปิโลติกะปริภาชกเขาบอกว่าอะไรนะ เขาเลื่มใสในพระธรรตรายเพราะเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าแก้เรียกว่าหันให้กษัตริย์กษัตริย์พรามหมณกรฤหบดีนักบวชนอกาศาสนาเข้ามาบวชให้เขาเหล่านั้นเป็นสาวกอันนี้แหละทำให้เขาตกหลงใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมดีพระสงฆ์ปฏิบัติดีเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็บอกว่ายังไม่บริบูรณ์นั่นเป็นแค่เริ่มเริ่มตน้นทีนี้ถ้าให้บริบูรณ์เป็นยังไงเริ่มตั้งแต่ว่า พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเลื่อมสายในพระองค์เนี่ยบำเพ็ญพระพุทธกิจของพระองค์ะนะแล้วเราก็ได้ฟังธรรมของพระองค์เมื่อฟังธรรมแล้วก็มีศรัท ธ, ธาเห็นทอดของการครองเรือนเห็นเห็นอา น, นิสงส์ของการออกบวชแล้วก็เลยออกบวชเมื่อออกบวชแล้วเป็นผู้ที่มีศีลด้วยกายศีลด้วยวาจาศีลด้วยอาชีพเนี่ยนะยึงพร้อมด้วยอาจาระเละ โคจรเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเมื่อมีศีลดีอย่างนี้อยู่ด้วยความสันโดษเมื่อมีความสันโดษอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลที่ไม่มีโทษได้รับความสุขในภายในแล้วก็ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรนิวรไม่กลุ่มรวมในทวารทั้งหหลังจากนั้นก็เจริญสัมปชัญญะสีในฐานะเจดเมื่ออย่างนั้นแล้วก็ละอะไรละนิวร ละนิวรละอภิชาละพยาบาทละถีนมิทะละอุทะจักกุกุจละวิจิกิจชาได้ปฐมฌานถึงขนาดว่าศีลอินทรสังวรสันโดษสติสัมปชัญญาเนี่ยนะปฐมฌานอย่างนี้ก็ยังไม่มั่นคงในพระศาสนาอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะยังอยู่ในภาวะของปุตุชนเนี่ยนะก็เรื่อมใสแบบคนได้ฌานนะถ้าได้ปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทะฌาน รวมทั้งสมาบัติแปดก็ยังไม่มั่นคงอย่างแท้จริงถึงระลึกชาติได้ก็ยังไม่มั่นคงอย่างแท้จริงถ้ารู้สัตว์เกิดสัตว์ตายก็ยังไม่มั่นคงอย่างแท้จริงถ้าเป็นพระโสดาบานันก็ถือว่ามั่นคงแต่ก็ยังไม่จริงเพราะกรรเริบเป็นครั้งคราวเพราะอะไรเอาขณะที่อกุศลเกินมีศรัทธาไหมก็ไม่มีก็แปลว่ากรรเริบเป็นครั้งคราวแต่ก็ถือว่ามั่นคงนะถ้าเปรียบกับปุตชน พระสกะทาคามีก็มั่นคงยิ่งกว่านั้นพระนาคามีก็มั่นคงยิ่งกว่านั้นสุดท้ายถ้าเป็นพระธรรมนี่แหละจึงจะเรียกว่าตกลงใจอย่างแน่นอนเลยในเรื่องของพะรัตนไตรัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรอยเท้าคือการที่จะเห็นช้างคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องดูจากร่องรอยของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ร่องรอยที่เราจังหลายจะเพิ่งประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรา ผู้ได้รับฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยรอยเท้าช้างนี้ก็ขอให้พบพระช้างคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่องรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธรรมขอให้เราทั้งหลายได้ตกลงใจในพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพธาตุหันพระธรรมเป็นธรรมดีที่นําออกจากภพพระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติโดยท้วนการเพื่อนขอให้ประสบอจลัสสัตธามีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาตลอดไปวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้